คอยกำหนดคู่ลมนั่นแหละไว้เรื่อยๆลมเข้าหรือลมออกก็ให้คอยกำหนดรูรล่ลวลมมันออกรัลกวลมมันเข้าลมเข้ายาวก็รูลมออกยาวก็รู ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกสั้นก็รู้เราทำความรู้สึกอยู่เพียงเท่านี้แหละลมเข้าลมออกเท่านี้แหละถ้ามันละเอียดลงไปเราก็สามารถกำหนดรู้ได้รมก็จะน้อยลงมีสติกับกิตทั้นผู้งานจิตมีธรรมะแล้ว จิตกับสติอยู่ด้วยกันสงบเย็นภายในยอบเกิดขึ้นแกเราพระพุทธเจา้าพระองค์สอนสอนเรื่องอนาป า, านะสตินิไว้เหมือนกันเป็นการฝึกหัดปฏิบัติ ให้กล่าวไปสู่ความพ้นทุกข์อยู่ดีๆจะพ้นทุกข์ได้ยังไงไม่ได้อยู่ดีๆต้องโคตรไป ไ, รไม่ได้ต้องทำกิจของเราให้สงบเสียก่อนพอกิจสงบแล้วจึงค่อยพิจารณาเมือกิจสงบแล้วก็พิจารณา พินาศทั้งคุณความดีของพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระธรรมคุณความดีของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรเพราะอาระหงัง เป็นผู้ไกลจากกิเลสอรหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถทำลายจิตใจของโพง์ได้แต่พวกเราคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้บรรลุมหคผลนี่ยังไม่รู้ว่าผลกิเลสมันเล่นงานตลอด มันให้โลกมันให้เกิดราคะความกำหนัดยินดีมันให้เกิดโทสะความคิดประทุทความประทุษร้ายหรือว่าความโกรธมัหะคือความหลงไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทางนี้จากกองทุกข์ แต่พระพุทธเจ้าของทรลงลูกอัลหันแปลอัหันอัหันแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสกิเลสไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าส่วนพวกเรายังมีกิเลสอยู่เราต้องปฏิบัติให้กิเลสมันหมดไปกิเลสหมดไปก็เลยว่าเข้าถึงความสุขความสงบ ความเบิกบานแจ่มใสพ่อไม่มีกิเลสก็มันไม่มีหนามหนามตำใจของคนราคะมันก็ตำใจโทสะมันก็ตำใจมันหนามเลยมันหนาการมาปังนโกการมาตะกัดตะโกมันเปียกต้มคือหนาคือหนามคือ เปียกตมคือหนามหนามปักใจของเรากิเลสนะเราค่อยแก้ไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะได้รับความสุขสบายพระพุทธเจ้าเป็นพระหันพระองค์ก็สุขสบายไม่มีกิเลสอนไะ้เข้าไปตำใจของพระองค์ ส่วนพวกเราผู้ยังไม่พ้นนี่ก็อ น, นั้นก็ต่ำใจอันนี้ก็ต่ำใจกระตบกระเทือนอยู่เรื่อยๆไม่แน่วแน่ทกอย่างเดียวเกิคดความลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมมีจริงพระพุทธเจ้าไม่จริงสถานที่ประชุ์ก็มีเขาก็ทำเสาไว้เสาหลักไว้ให้ลูก สูงจากพื้นดิน้นไปหลายเมตรฝังลองอไปในพื้นดินตั้งแผดเมตรมันไม่มีใครจะมาขุดคนอะไง่ายๆนั่นก็เป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอุติจาประสูต์ตรงนี้ปัจจุบันอยู่ประเทศประเทศอะไรละ่ะอาจารย์ประเทศเนปาลปัจจุบันอยู่ประเทศเนปาล ต่อเคดกับอินเดียนั่นแหละมีหลักฐานยืนยันแน่นอนพระพุทธเจ้ามีจริงที่ประสูที่ตัดสู้ที่ตัดสร้ก็มีเจดีย์ใหญ่สูงมากใหญ่มากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวไว้ในนั้น แ, แสดงธรรมาจากก็มีที่แสดงธรรมาจากดวงพระลานซีพระลานซีแต่ก่อนเราเห็นมอลำเขาหลัเนี่ยเป็นพระชาะเมืองสาวทีเราก็ไม่รู้ว่าเมืองสาวทีเป็นยังไง พอเราไปดูเมืองสาปาทีโอมันไม่มีบ้านมีเรือนอะไรมีแต่กองอิดเขาไปทำความสาดไว้ว่าตรงนี้แหละที่ไว้เงินไว้ทองของอของอนาถาบินทิกะเศรษฐีมีเงินมีทองมากเมืองสาปาทีก็มีเมืองพาราณสีก็มี ที่ะสมก็มีที่ตัสลูก็มีที่แสดงธรรมาจากก็มีที่เมืองสาวทีก็ที่เมืองพาลนาศีนะมีหมดแะไม่ใช่ไม่มีที่ปรินิพานก็มีที่เผาศพก็มีสุภฤิษาก็มีเป็นเนินดินกองสูง นั่นแหละพระพุทธเจ้ามีจริงก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละแต่ ว, ว, ว่าพระองค์สั่งสงความดีมาหลายภพชาติมาปัจจุบันชาตินี้จึงได้ตัดสู่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต พ า, ารหันสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัดสุขชอบด้วยพระองค์เองตัดสุขชอบด้วยพระองค์เองไม่ได้ไปรักเอาวิชาของคนอื่นหรือเอาความรู้ของคนอื่นอันนี้กิเลสหมดจากใจของพพุทธเจ้าแล้วธรรมะก็เกิดขึ้น นี่ว่ตสรู้ชอบคือไม่เป็นรักวิชาความรู้ของใคร อ, องค์รู้พร อ, องค์เห็นพระองค์สําระจิตบริสุทธิ์ได้จริงไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ทั้งในโลกนี้แ ล, โ ล, ะ, ละโลกปัจจโลกให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์พระพุทธเจ้าประเสริฐ คนตามนตามคำสั่งสอนของครูที่เจ้าก็ประเสริฐเหมือนกันนี่แหละวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาในจรณะวิชาสามวิชาแปดเจรณะสิบห้าอันนี้โอ้มีธรรมะอันนี้อยู่ในใจตลอดใจขององค์บริสุทธิ์สุขโต ไปแล้วโดยดีคือไปสู่ที่ไหนเสด็จไปสู่ที่ไหนก็ทำที่นั้นให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการปฏิบัติธรรมจนสามารถบรรลุ ม, มากคนไปตามพระพุทธเจ้ามีเป็นอนี้นมากมายกายกองคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมถาถึงความสุขความ จเจริญถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ทําตามคําสอนสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ยังชื่อว่าไม่พ้นทุกข์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แต่พอได้ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ เป็นพระเยียบกับคลโชดาศกิทาคะอนาคาลหันสามารถบรรลุได้หมดแหละทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบริษัทสีภิกษุภิกษุณีอุบาศกอุบาสิกาภิกษุนีไม่ใช่ไมชีนะภิกษุนีคือบวชมีศีลสามร้อยสอ็ดข้อ แต่ตอนนี้มันขาดตอนไปแล้วไม่มีอีกแล้วพ่อหมดอุปชาหมดอาจารย์หมดผู้ที่จะมาบวชให้ไม่มีก็เหลือแต่ภิกษุสมาสมเณรสามเณรลีก็ยังไม่มีหมดแล้วเหมือนกันนี่แหละ พระพุทธเจ้าประเสริฐเราทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าเราก็เป็นคนประเสริฐทันวาโล ก, กวิทูผู้รู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้ารู้แจ้งหมดกา ม, มาโลกรูปโลกอรูปโลกองค์รู้แจ้งหมดไม่ว่าโลกไหน โลกเทวดาก็ทรงรู้โลกศัสนาโลกก็ทรงรู้ตกวมนุษย์เราก็รู้รู้แม้กระทั่งคนที่จะมาปฏิบัติคือมานับถือศาสนาของคุณพระเจ้าจิตใจของคนเหล่านั้นก็สว่างสวยด้วยคุณสิงคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ว่าโลกก็มีถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามองทรงรู้ทรงเห็นหมดเป็นสิ่งน่าอาจจจัศจรรย์ไม่เคยมีมา ก, ก่อนจนกว่าจะได้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้จนจึงจะได้ยินคำทำคาสอนเหล่านี้อันนี้คําสอนพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ ผู้ปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่ผู้บรรลุมรรคผลก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีผู้ที่ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระเจ้าผู้ที่ง่ายว่าผู้ง่ายว่ารู้ละเอียดหมดเลยรู้จนไม่ติด ไม่ติดไม่คล้องไม่ติดในอะไรสักอย่างเหมือนอย่างคุไวาอาจารย์พูดนน่มนท่านมาในงานถ้าบุญอยู่ให้ท่านเราน้อมบาทเข้าไปถวายท่านบาทใบนั้นราคาหมืน่นหมื่นกว่าท่านฟ้าทั้ง อะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็น้องเข้าไปถวายท่านว่าเราไม่อยากได้บาทก็ไม่อยากได้สิ่งไหนก็ไม่อยากได้แม้แต่ลมหายใจก็ไม่อยากได้ท่านว่าคือมันไม่ติดไม่คล้องไม่หลงเพราะมันรู้แจ้งรู้จริง ด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าเราจรึงได้นามว่าศรัทธาทว่มนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนเทวดาให้ได้พัฒน์รเหมือุกัน สอนมนุษย์ไยบรรลุมาโคดเหมือนกันแต่ก่อนที่ประเทศอินเดียนีย่ตั้ง 2,000 พกว่าปีมาแล้วสนี่าศาสนาพริสตเจ้าเรานับพอสอตั้งแต่คริสตเจ้าพริมิผ่านแต่พริสต์เจ้าสอนศาสนามาตลอดเวลาตั้งแต่ได้ตังต่ได้ัสรู้เป็นสมาสมมคริตเจ้าแล้ว ตั้งแต่ดตสรู้เป็นพระสมาสุศพุทธเจ้าแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลานา น, านเวลาที่พระองค์ทรงใช้อยู่ในชีวิตพระทรงมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ดตสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านน่ใช้เวลาห้าสิบสี่สิบห้าพันสา จ่งเสด็จดับขันพรริธนิพานตลอดเวลา 45,000 ปานานพระองค์ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติมุ่งมั่นสั่งสอนอบรมให้ชาวอินเดียนได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงแต่อินเดียนี่ก็แปลงหนึ่งคือศาสนาพราหมณ์คือศาสนาฮินดู ไม่นับถือพระพุทธเจ้าภายหลังมานะแต่ตอนก่อนก็นับถือพระพุทธเจ้าก็สอนเอาสอนเอาสอนให้พ้นทุกข์เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้สินกิเลส ติดตามพระอุตตรเจ้าเข้าสู่กอริภานหมดเลยแต่คำสอนแล้วนั้นก็ยังเหลือมาถึงพวกเราเหมือนเดิมไม่ได้สูญหายไปยังมีอยู่เหมือนเดิมยังดีอยู่เหมือนเดิมอยู่ในตู้ขาตัยปีดกที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีที่ยังไม่แปล ก, ก็มีจะเอาแบบไหนก็ได้เท่านั้น พระพุทธเจ้ามีจริงขอยืนยันได้ว่าสถานที่ประสูตรสริแสดงธรรมาจากกระเพาะต้นสูตรและสถานที่ต่างๆจารึกว่าพระพุทธเจ้ามาประทับที่นี่ที่นั่นเขาก็ถือว่าเป็นภูชนียสถานเอาเงินไทยเข้าประเทศอินเดียวีละหลาย หมื่นล้านหลายแสนล้านคนไทยไปวายบ้างคนประเทศนั้นประเทศนี้ไปเยอะแยะเลยยิ่งหน้าที่มันอากาศไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปโอ้คนไปเยอะเลยไปมากไปเห็นสถานที่เหล่านั้นแล้วก็มีความศรัทธามัน่นคงมั่นใจในคําสอนของคุณพระเจ้าคุณพระเจ้าดีจริง เป็นพุโทโธจริงเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมจริงนี่แหละนั่นจึงเรียกว่าพุทโธหลวงปู่มั่นก็เอามาบริกรรมหลวงปู่เสาก็เอามาบริกรรมสอนหลวงปู่มั่นให้บริกรรมหลวงปู่มั่นก็บริกรรมจนได้บรรลุมรรคผลเป็นพาระอรหันต์กระดูกเป็นพระธาตุไปหมดเลย คนทุกข์ไปตามอุตยาวนี่แหละพุทโธพุทโธเป็นทางออกจากปองทุกข์นะใครนึกถึงพุทโธพุทโธไว้ได้ตายแล้วนี่ไม่ไปทุกขติเลยไม่ไปทุกขติไปสู่สุขติถ้านึกถึงพุทโธพุทโธได้หรือว่าเรามากําหนดลมหายใจเข้าออกวีเดียนี่ มหมายควาว่าเราตั้งสติตามคำสอนของพุทธเจ้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตใจลวก็แนวแน่เยน็นสบายมไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับอะไร จิตใจเราไม่กังวนลใจเราก็สงบเบีนสบายนี่แหละพุดโทนี่สำคัญถ้าใครนึกพุดโทได้ตลอดก็เป็นยอดเหมือนกันอาณาปานสติที่เราศึกษาปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้าใครทำได้ก็ได้มักได้ผลเหมือนกัน ได้ความรู้ได้ฌานได้ปัญญาเหมือนกันได้ปฏิสัมพิธาเหมือนกันถึกไม่ได้ทั้งหมดก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเอาได้ทั้งหมดก็แปลว่าเราสร้างวัลมีมามากคือพบก่อนจะก่อนเราทำบุญไวยไม่ขาไม่ทอดทิ้งไม่หันไปในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดกิจใจของท่านเหล่านั้นก็ จเจริญแม่พวกเราก็จะเจริญถ้าทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติผิดเราปฏิบัติชั่วเราปฏิบัติไม่ถูกทางความทุกข์ก็เกิดขึ้นแก่เรามีครอบครัวพ่อเมียก็ทะเลาะโบว์แว่งกันเพราะไม่มีธรรมะอยู่ในใจ ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เห็นผิดไม่เห็นความผิดไม่เห็นความโทษใช่แต่อารมณ์ข่มกันเบียดเบียนกันว่าให้กันดูด่าว่าเกาไม่พยายามมนีจากทุกทุกมันมีอยู่ทุกคือความเกิด มีอยู่ถ้าเราไม่พ้นทุกในฌานนี่เราต้องเกิดอีกมาพุกครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องให้มันภาวนาเป็นถ้ามาพบแล้วภาวนาไม่เป็นให้เพียงการรมหายใจเข้าออกก็ทำไม่ได้ลมก็เป็นของเรา เราทำไม่ได้เท่าเนี่ยเราจะทำอะไรได้ละ่ะในโลกนี้แค่ลมหายใจจะคล้องยังทำไม่ได้จะไปได้มากได้ผลได้พระนิพพานมาจากไหนเริ่มต้นมันก็ต้องมากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เองลมเข้าออกยาวกว็รู้จักลมออกสั้นก็รู้จักนี่แหละ เท่านี้เราเรายังทำไม่ได้เราจะไปทำความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่มีพุโทโธในใจมันก็ไม่ได้ความสุขความเจริญให้คิดว่าแค่พุโทโธหรือว่าไม่ว่าแค่ละคือว่าพุโทโธเนี่ย เรายังนึกไม่ได้ลมหายใจเข้าออกเรายังนึกไม่ได้เรารู้ไม่ได้มันก็แย่แล้วสิของเห็นอยู่เรายังเอาไม่ได้อยู่จะเอาไปเอาสวรรค์สันฟ้าได้อย่างไรเราต้องเอาลมหายใจของเราให้มันได้หายใจเข้า คนบางคนก็ชำนาญให้ใจเข้าพูดพูดให้ใจออกโทแต่อันนี้เราไม่ไปสอนตามนั้นแต่ว่าสำหรับกำหนดบางทีก็กำหนดเหมือนกันนหะพุทโทนะแต่ไม่หนักแน่นเหมือนไม่ปฏิบัติจริงจังเหมือนอนาปานสติเรามาเน้นที่อนาปานสติ ให้คนปฏิบัติตามอนาปานสติคมเหมือนเหมือนกันและเป็นอนุสติสิบพุธานุสติธรรมานุสติอนาปานุสตินั่นการหนดลมหายใจเข้าออกให้มันได้สิ่งอื่นอย่างอื่นยากคนนี้เรายังทำได้อันนี้เราจะทำไม่ได้จริงๆหรอ ทำให้เราผิดหวังจริงๆหรือมันต้องได้สิต้องได้ต้องกำหนดให้มันได้มันไม่ใช่ของยากจนเกินไปถ้ายากเขพุทธเจ้าไม่สอนไว้หรอกสิ่งนี้มันยากเขาพุทธเจ้าไม่สอนสอนที่มนุษย์ที่เทวดาจะปฏิบัติได้นี่แหละ สอนที่มนุษย์ที่มนุษย์เข้าใจได้นี่แหละทำตามได้นี่แหละตอนนี้งว่สาสัาธีมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพยายามปฏิบัติไปอย่าถอยอันนี้มันของง่ายเราทำให้มันได้ ของอยากคนนี้เรายังทำได้อันนี้มันง่ายนี่เตียวเราทำไมทาไม่ได้นั่งแค่วันสองวั น, วนเบื่อหน่ายแล้วสู้ไม่ไหวเก็บแขงเก็บขาถ้าเราเป็นงูเป็นปลาเราจะเก็บขาไหมขาเราไม่มีเราจะเก็บไหมโเพราะเรามีตัวมีตนนันนี้แหละ ยังไม่ตายนี่มันก็เก็บเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนั่งบางที่ตั้งแต่หัวค่ำตั้งสิบแปดนกาจนถึงตีสี่จนถึงเอาปานนั่นนะไม่ธรรมดานั่งอย่างนั้นนะสติก็จอนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ให้มันไหวไปไหน ไม่คิดเรื่องโน้ไมไหนคิดเรื่องนี้คอยนิ่งอยู่คอยดูมันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรามีสตินิ่งดูตลอดเลยอย่างนี้เราก็ทำได้ปวดขาไหมถ้ากิจเป็นสมาธิแล้วมันไม่ปวดขาหรอกถ้ากิจได้เป็นสมาธิ มันปวดแข้งปวดขาเป็นนั่นเป็นนี่ถ้ากิจเราสงบเป็นสมาธิแล้วโอ้โยมันไม่ปวดขานี่ก็ไม่ปวดนั่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่ปวดที่มาถึงแล้วมาสู่อาลามนนี้แล้วต้องเอาให้จริงต้องเอาให้มันได้ อย่าไปท้อถอยอย่าไปหาทางออกว่าจะหลบหนีไปทางไหนหนอไม่ได้มาเสียเสียเวลาเฉยๆเราต้องทำให้กิตเราสงบให้ได้พอพูดอย่างนี้ก็จริงจังเขาไปวันนี้เราก็ทำให้มันได้แหลได้ก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นหรอก จิตสงบก็สงบอยู่นั่นแหละเราก็จะเห็นความสงบอันนั้นแหละแต่มันวางลกมันก็วางตรงนั้นแหละมันปล่อยลงไปมันก็ปล่อยตรงนั้นแหละมันรู้มันเห็นมันก็รู้อยู่ตรงนั้นแนละตรงใจสงบนั่นแหละเรื่องต่างอะไรต่างๆ เราจะรู้จะเห็นได้ขอใจของเราต้องสงบเสียก่อนถ้าใจเราสงบแล้วก็เห็นผู้ใดทำใจให้สงบเป็นสมาธิผู้นั้นจะรู้เหตุตามความเป็นจริงนะความเป็นจริงคืออะไรล่ะคือความเกินนะ่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตายเรามารู้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเวลาเกิดมันทุกข์แค่ไหนเวลาแก่มันทุกข์แค่ไหนไม่ใแก่มมนะเริ่มตั้งแต่อายุหกสบปีขึ้นไปเริ่มเหนื่อยเริ่มเม่อยแล้วเริ่มท้อเริ่มถอยแล้วนี่คนที่จะให้ คนมีอายุห0ปีกปีเกษียณอายุสแสดงว่าคนที่ไปทำระเบียบอันนี้ขึ้นมาเนี่ได้รู้จักเรื่องของชีวิตอย่างดีเลยคนอายุห0สิบแล้วไม่อยากทำอะไรหรอกมันไม่อยากข่้นมีพุดภัยอะไรมันอยากอยู่สบายๆอย่างนั้นคนส0 40นบสี่สบโอ้ขยันไม่รู้จักเมื่อย ไม่รู้จักเหนื่อยจะทำอะไรก็รีบทำไม่สักชาไม่ดีรอแต่พออายุหกสิบปีแล้วมันถอยกำลังนละคิดจะทำอะไรมันก็ไม่เป็นอันจิตไม่เป็นอันธรรมแหละขอจึงให้กเกษียณขอให้พักผ่อน นี่แหละเริ่มแก่แล้วคน60สิบนี่แก่แล้วจิตใจก็ไม่สู้ไม่ดิดขาดเหมือนยังนมแหละเพราะนั่นความแก่เนี่ยเไปหาความตายเหมือน่าม่วงมันสุกต่อไปมันก็ลวงหลดลงมาต่อไปก็หนอนเจาะหนอนกินมแรงวันไตต้อมเน่าเสียไป เลือแต่มเมล็ดข้างในอันนคนเราในสุดก็เลือแต่กระดูกนั่นแหละกระดูกเราใส่ธาตุใส่เกียร์ดีน้อยไปตามหลกกระแพงวัดนะนดต่อไปรุ่นหลานรุ่ น, นเล้นไปแล้วก็ไม่รู้จั ก, กว่าเป็นกระดูกของใครแล้วนี่เขาทุกทิ้งไปเลยอันน้ห่วงอะไรคนเราเกิดขึ้นมา เราต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแน่นอนแหละมันเป็นอย่างนั้นมันไม่นีสจากเราหรอกเราก็ไม่นีสจากมันมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอันนี้คือความจริงแต่ ว, ว่าความจริงอันประเสริฐ พอคนมารู้มาเข้าใจมาถ่ายถอนความยึดมัน่นถือมั่นได้นี่รูปร่างกายตัวตนคนเราเนี่ชัดเจนในใจเพราะมีสมาธิเป็นตัวนุน่นปัญญาเกิดขึ้นตัดสลุ่ยอริยมรรยาผลได้เป็นพระดีบุคคลในพุทธศาสนานีจากกองทุกข์ได้เลยไหมเนี่ยถ้าภาวนาอย่างนี้นี้จากกองทุกข์ ไ, กกกได้เลยไม่กลับมาทุกข์อีกในวัฏสงสารอันนี้ อนนั้นโยมโชคดีพกย่าโยมโยชคดียโยชคดีตัวจะมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ถึงแม้มันจะเข้มข้นก็ให้อุดทนเอาเพื่อผลประโยชน์ของเราเองจะเดินหน้าถอยหลังอยู่ไม่ได้ต้องมุ่งมั่นปฏิบัติให้จริงจัง ไม่ท้อไม่ถอยไม่หมดกำลังใจก่อนเราจะไปจากโลกนี้เราต้องได้คุณธรรมต้องให้มีมรรคมีผลเกิดขึ้นมันจึงจะคุ้มค่าที่มาเกิดในมนุษย์แล้วได้ปฏิบัติธรรมจนจิตหลุดพ้นจากกองทุกข์อันนี้มันเป็นเรื่องที่ประเรสริฐสหรับเรา สัตว์อื่นไม่มีโอกาสเอสัตว์นรกก็บรรลุทำไม่ได้สัตวิลสารมูมากาไก่ก็บรรลุทำไม่ได้มีมากมีผลไม่ได้ไม่รู้จักมันรู้จักแต่เข้าสารเทานี้กับข้าเปลื อ, อ, อกนอกนั้นก็รู้จักแมลงเมา ที่มันตอนเช้าเช้าไฟตอนเช้ามาไก่มาเคี่ยวทั้งวันเนี่ยเคี่ยวทั้งวันได้เตร็มเหนียงเตรียมอะไรมันเท่านั้นเองอันนั้มันไม่รู้จกักกุดโทตโมสังโคอะไรหรอกขุดโทภูตุปุติเจ้าก็ไม่รู้จักทัพโมพระธรร ม, มก็ไม่รู้จักสังโค มันก็อยู่กินข้าวก้นบาทเนี่ยนานแล้วแต่มันก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักว่าธรรมไม่รู้จักว่าสงฆ์อนันไม่รู้จักมันรู้จักแต่เหยื่อเข้าเปลือกเข้าสารทอนนี้มันเกิดเป็นสติละสารก็อาภาพัพเรียว่าอาภาพัพภาพบุคคลเป็นหน้าก็ตามเป็นที่เป็น เป็นห่าก็ตามเป็นงูก็ตามเป็นปิดเป็นไก่ก็ตามเป็นวัวเป็นควายก็ตามเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแม้แต่เป็นลิงก็ยังฟังธรรมไม่รู้เรื่องนั่นอาพับทึ่ได้เกิดเป็นลิงสักร้อยครั้งมันก็ไม่ได้บรรลุมากคลมันไม่รู้จากทานมันไม่รู้จักศีล มันไม่รู้จักปัญญาไม่รู้จักทานศีลภาวนาปัญญาไม่รู้จักเดินผ่านมันมันก็ยกมายกมือไหวเราเหรอกไม่ได้กระพือปีกไหวเราหรือทําอะไรที่ว่าไหวเราไม่มีดีไม่ดีเราต้องหลีกมันนั่นไม่รู้อะไรเลย เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้เกิดเป็นคนได้เป็นเทพเป็นเ ท, เนเทวดาอันนี้ก็ดีที่ว่าโชคดีแต่ว่าอย่าที่งความโชคดีให้หมดไปไอคิดว่าชาตินี้พบนี้ไม่ได้อะไรแล้วเอาเอ า, อาชาติหน้าพบหน้าเธออย่าได้คิดอย่างนั้นชาตินี้เรายังทําไม่ได้ชาติหน้าเราจะเป็นอะไร เราจะเป็นคนอีกหรือเปล่าหรือเราจะเป็นเป็ดเป็นไก่ก่อนจะตายกิจยึดถือเป็ดไก่หรือเป็นห่วงหมูห่วงหมาค่ะในที่สุดก็ตายเป็นเป็ดเป็นไก่แลก่อนยึดเอาความเป็นเป็ดเป็นไก่นั้นเป็นที่เกาะแห่งใจในที่สุดก็เวียนวายตายเกิดอยู่ในความเป็นไก่แลยแหละไม่รู้ว่าไหลจะคนจากสุสตินั่ะนีแหละ ให้พยายามปฏิบัติให้มันได้มากได้ผลขึ้นมาอย่าถือว่าชาตินี้เราไปไม่ทันหรอกไม่ถึงหรอกอย่าไปคิดมักพ้นยังไม่พ้นสมัยท่านหลวงพ่อชาบ่าต้องปู่ชาบ้าน้องปา่าพงวะ่ะมักพ้นยังไม่พ้นสมัยขึ้นม่าพ่อคนชอบพูดกันเนี่ยสมัยนี้ไม่มีมักค้นหรอก มันหมดแล้วอันนั้นไม่รู้ความจริงตราบใดที่มรรคแปดยังมีอยู่การปฏิบัติตามอริยามรรคโยงแปดยังสมบูรณ์ดีอยู่และปฏิบัติตามอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจะว่าอราหาันเลยโน่นพระพุทธเจ้าตัดไปธรรมดามาเลยห้าพันปีี่มันเรื่องเล็กน้อย ถ้าคนทำตามแล้วปฏิบัติตามมารแเดของพระพุทธเจ้าแล้วคนเหนั้นก็นีทุกได้เลยชาตินี้พบนีแ้แหละในเป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละเราจะนีจากกองทุกได้จะนีจากความคุญดีบุญวายได้เกิดเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นแหละถ้าไม่เกิดยิงไม่ทุก พอมีเกิดกต้องมีเจมีเจ็บ ม, มีตายขมวนเวียนนี้โศกับปริทีวะทุกขโทมนัสอุปยาสสะดูสิความโศกความลำลายลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจเป็นทุกข์แค่ไม่มีสินหามก็ทุกข์แล้วไม่ต้องเอามาก เอาข้อากามีอันเดียวครอบครัวแตกสลายเลยมไม่สำรวมในกรรมคือไม่กินดีพวเมียไปกินดีสิ่งอื่นคนอื่นหลายผู้หลายคนทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นมากมายตายแล้วยังไปทุกข์ในนรกอีกนี่แหละ ไม่มีศีลก็ตกต่ำไม่มีทานก็ตกต่ำไม่มีภาวนาก็ตกต่าเกิดมาแล้วทาไม่ทำทานไว้ไม่รักษาศีลไว้ไม่ภาวนาหรือปฏิบัติธรรมจะเราเราจะหาความสุขมาจากไหนเราจะได้มรรคได้ผลได้อย่างไร มักคนมีอยู่คนไม่ทําตามมันก็ไม่ได้ถ้าคนทําตามก็เห็นไหมหลวงปู่มันหลวงปู่เสาต้องปูเงป่เทศก็ดูเป็นพระธาตุหมดทุกองค์รูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นทั้งหลายแลยก็อธิทานก็เป็นพระธาตุหมดเลยตกผึกงใส่มันของหลวงปู่เทศพใส่มากเลยก้อนใหญ่ธตร ม, มามอไว้ก็ใส่ ที่อยู่อบคนอื่นก็มีหลายคนกลายเป็นประทาหมดอาจารย์จวนอาจารย์วันเป็นประทาอาจารย์ทิ้งทองกระดูกเป็นประทาหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลปูเทศดหลวงปู่ฟันหลวงปู่อะไรต่อหลวงปู่อะไรที่ตายไปแล้วก็เผาศมเ็จกระดูกก็กลายเป็นเก็บไว้ก็กลายเป็ น, ป, นประทาหมด กระดูกธรรมดายังแสดงปฏิหารในป่านนั้นเพราะนั้นพักพนมันยังมีอยู่เราต้องเอาให้ได้เรามาพบมาเจอแล้วอย่าท้ออย่าถอยให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันได้ให้มันถึงทำถูกมันแคบบ่เดียวเหมือนเราสอดชนเข็มนี่แหละ เสี้ยมันทามันไม่ถูกมันก็ไม่สอดไม่ได้ถ้ามันถูกมันสอดได้ทันทีอันนี้คือมันการการปฏิบัตินี่็เหมันกันถ้าเราคอยกำหนดดูลมหายใจเข้าออกได้มีสติสมาธิได้มากคนก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนน้ำม่วงที่เราปลูกไว้ในดินมันเป็นต้นเป็นลำมา ต้นมันแก่มันพร้อมที่จะมีดอกและออกดอกอันนี้ก็มีหมากมีผนนั่นแหละเป็นกำลัให้คนได้อยู่ได้กินพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรายังทำความภา ค, คามเพียนอยู่เราก็ต้องหนีทุกได้แน่นอนไม่ว่าทุกอะไรอย่างพระองคุริมาเห็นไหมฆ่าคนมาเป็ น, นพันๆฆ่าคนมากมายเลย ตัดนิ้วมือไว้วางไว้ตามตอมไม้ตามอะไรกากาก็คาบกินหมดต่อมาคิดอุบายวิธีได้ก็เอาเสือกร้อยไว้แาบนี้ค้องคอได้ก็ได้ได้มากมาพันนิ้วนะหลืออยู่นิ้วเดียวจะครบพันตัดนิ้วไว้ ถ้าได้ครบพันหนึ่งจึงจะได้วิชาพิเศษจากอาจารย์อาจารย์นันกสอนพิดแล้วทำลายลูกศิษย์ของตัวเองท่านเลยไปกลายเป็นนักฆ่า่าคนมากใครๆก็กลัวขนาผู้หญิงท้องอยู่เพราะว่าพระองคุริมันเท่านั้นเลยโอ้ยเยยวลาดเลยลูกในทอ้องคลอดออกมาได้เลย คอยว่าพระออคุลีมานใครๆก็กลัวท่านทําบาปไปมากปกติต้องไปไม่ในนรกนแต่พอปฏิบททัติธรรมศรัทธานในพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่นานได้สาเร็จเป็นพระรหันเลยเวลาไปวินธ บ, บาทในหมู่บ้านเขาควางนกควงกาเขาไล่กาไล่นกเอาค้อนควง มันเขาปยว่มาถูกหัวท่านถูกตัวท่านแต่ละวันเขาพินาบาบในเลือดไหลอาบตัวพระพุทธาจ้าทุกที่เธอได้ทับอยู่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่มากมายอะไรที่คนทำอะไรแล้วก็เกิดมาถูกท่านให้เลือดตกยางออก มันไม่มันไม่เท่าไรหรอกให้อดทนเอาแต่ถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระลรหัน์เนี่ยท่านจะต้องไปไหมในวันโลกนานเสนนานเพราฆ่าสัตตัดชีวิตไว้ดูสิแต่นี่พอท่าปนปฏิบัติทำบรรลุเป็นพระลรหันแล้วเป็นพระละหันแล้ว พ้นจากกิริแต่กองทุกข์แล้วปรากฏว่าท่านไม่ต้องไปนรกเลยไปพระนิพพานเนยลยหลังจากตายแล้ว น, นั่นแ่ะเราอย่าโวยบาปรเราก็าทำนั่นนี่มันสกรปรกเราก็รางสิเอาศีลเราทำเขาไปล่ามเาชาฉาตัวเองเหมือนตมเหมือนโคนเนี่ย มันมาถูกตัวเราจะเป็นมดูดเป็นคูดเป็นของสโกโศโคกอะไรก็ตามมาถูกต้องเราเข้าไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาน้ำสะอาดมาล้างเหมือนเราดาเนินชีวิตในโลกนี้คนที่ไม่ทำผิดมันก็หายากเลยก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดา ผิดก็ผิดถูกก็ถูกในโลกมันก็มีสองอย่างมีผิดก็มีถูก่แต่เราก็มีวิธีล้างด้วยทานล้างด้วยศีลล้างด้วยภาวนาเนี่ยเราภาวนาปุบ๊บจิตใจของเราบริสุทธิ์สงบไม่กังวลไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจสบายเย็น นี่จากกองทุกได้แล้วเป็นผนีวมงคสูงสุดแหละตายแล้วเข้าผนิผ่านเลยไม่ได้ไปห่วงนะโรคอวัวะจีอะไรหรอกนั่นเราก็เอาของดีล่างของชั่วทําดีไว้ทําชั่วทําชั่วไว้ให้ผลดังนั้นไม่ว่าเราทําความดีหรือทาความชั่วก็ให้ผลแก่เราดังนั้นดีก็ให้ผลชั่วก็ให้ผล เราเลือกทำเอาได้เลยมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เลือกทำเอาได้จะเอาบาปให้ ม, มากก็ได้ข้าพ่อข้าแม่ข้าบิดามารดาครูบาอาจารย์ข้าพราหันเนีย่ยดสิทำร้ายพระเจ้าจนพระโลหิตท่อทำสงฆ์แตกสามัคคีกันนะั่นอันน่ะเราจะทำบาปหนักขนาดไหนก็ทำได้ ทำบาปทากำกรรมทำชั่วทำผิดเน่เราจะทำเอามากขนาดไหนก็ได้นี่นี่เราอทางทางบาปส่วนทางบุญละเราก็ให้ทานรักษา ส, าสินตามกำลังของเราปฏิบัติไปไม่ท้อถอยไม่หมดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติมันจะยากขนาดไหนพระพุทธเจ้ายังทำได้พระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายก็ยังทำได้ เดี๋ยวเราทำไมจะทำไม่ได้เราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันนี่นี่ชั่วก็ต้องมีดีก็ต้องมีผิดก็ต้องมีถูกก็ต้องมีมันแก้ไขกันไปอย่างนั้นน่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในบรรลุมรผล ตามนั้นได้จริงๆนี่จากกองทุกได้จริงๆริตอนนี้ละอา้าวตอนนี้ละจงมาเถิดเธอผู้เป็นบินยูชนมนโอ้บวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอน ก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดของการปฏิบัติคืออรัตผลอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้อินดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความป็นดูแล้ว